สำหรับคนที่ยังไม่พร้อมเรื่องทุนทรัพย์นะครับให้เริ่มจากการสวดมนต์ภาษาไทยไปก่อนดูที่หนังสือหรือเว็บไซต์หัวข้อสวดมนต์ภาษาไทยที่โจโจดอทนะครับแล้วก็ทำบุญเล็กน้อยเท่าที่ทําได้แต่หมันทําให้เป็นประจําเช่นตักบาตรหยดโต้ทําบุญแม้เพียงบาทรสองบาทก็ยังได้ซึ่งมีตู้ทําบุญมากมายอยู่ทั่วไปนะครับทั้งมูลนิธิถวายวัดปล่อยโคถึงทําน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเจตนาคุณตั้งมั่น คุณอาจได้บุญมากกว่าคนที่เขาทำเยอะกว่าคุณหลายล้านเท่าก็ได้ในการทําบุญแต่ละครั้งแม้เราทําน้อยคุณก็ถือว่าคุณมีส่วนในบุญนั้นไปด้วยอยู่แล้วหรือการร่วมทําบุญในงานบวชร่วมเป็นเจ้าภาพชุดบวชได้ง่ายๆกับการทําบุญสมทบกับมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่หากยังทําทั้งชุดคนเดียวไม่ได้ก็ให้สมทบทุนไปก่อน1 0บถึงยีบาทก็ยังถือว่าได้ทำอย่ารอให้มีเงินก่อนแล้วค่อยทําบุญแต่ให้ทําตอนยังมีน้อย ทำแต่พอดีแล้ววันหนึ่งจะมีเงินทำบุญใหญ่ได้เองครับบางคนมีเงินไม่พอก็ไปบอกบุญกับญาติเพื่อนผู้ร่วมงานคนแถวบ้านแล้วรวบรวมมาจนได้ครบชุดบวชหนึ่งชุดและนำไปถวายพร้อมกันก็เป็นวิธีเริ่มต้นที่ดีนะครับและถ้าพอมีกำลังทรัพย์แล้วเชื่อผมเถอะถ้าลองได้ทำครั้งแรกแล้วเดี๋ยวบุญมันทาให้คุณได้ทาครั้งที่สองเองแล้วมันจะทาให้คุณมีเงินทาบุญได้มากขึ้นเอง แล้วถ้าพอมีกำลังทรัพย์แล้วก็ให้ทำเต็มที่แบบที่แนะนำไว้ด้านบนย้ำว่าการทำบุญทั้งชุดบวชและอื่นๆต้องดูด้วยนะครับว่าเป็นวัดที่ปฏิบัติ ด, ดีไม่มีคำสอนผิดเพี้ยนไม่เป็นลัทธิที่ภายนอกเป็นพุทธแต่กลับสอนผิดหลักศาสนาพุทธสำนักไหนที่โดนคนโจมตีมากๆเนี่ยเว้นไว้ก่อนก็ดีนะครับหลักของพุทธคืออะไรที่ทาแล้วไม่สบายใจหรือสงสัยก็ควรเว้นไว้ก่อนให้ตรวจสอบศึกษาจนมั่นใจ การทำบุญแบบกระจายวัดไม่เลือกเจาะจงที่ใดโดยเฉพาะก็เป็นการลดความเสี่ยงที่ดีจีวรบาทให้เลือกของดีหน่อยนะครับไม่อย่างนั้นถวายไปพระก็ไม่ได้ใช้และส่วนมากที่ถวายไปก็ไม่ได้ใช้จริงๆนะครับวัดที่ไม่ดีที่ผมแนะนำว่าไม่ควรไปถวายเพราะว่าโอกาสคุณจะเจอพระดีในนั้นนะ่ะน้อยมากคือวัดที่มีประหลัดขิกมีพระพิกคเนตมีตะเคียนมีกุมารทองมีสิ่งที่นอกศาสนาพุทธนะครับ เข้าใจไหมเราไม่ได้ต่อต้านเพราะบางวัดที่มีของพวกนี้ก็มีพระดีๆอยู่จริงๆแต่เพื่อประกันความั่ว์ของเรายิ่งเราเงินน้อยเรามีทุนน้อยเรามีเวลาน้อยอยากแก้กรรมให้ตัวเองเราก็ควรเลือกวัดที่ดีที่สุดอย่างน้อยวัดที่มีสิ่งนอกศาสนาเราถือว่าเป็นเดรัจฉีนะครับหลายอย่างกุมารทองประหลัดขิกพระพิคเนตทุกอย่างนี้มันเป็นของนอกศาสนาพุทธ และคุณจะถือว่าคุณถวายของให้ส่งของพุทธได้ยังไงถูกไหมสำหรับคนที่กำลังมีปัญหาชีวิตหลายด้านนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำคือดึงใจกลับมาให้ได้เพิ่มแสงสว่างความปลอดโปร่งในใจให้ได้อย่าเฝ้าคิดถึงปัญหาและอดีตที่ผ่านมาแล้วชีวิตเราก็แค่เนี้ยทุกอย่างสุดท้ายเราก็ต้องทิ้งหมดเมื่อถึงเวลาตายเราไม่มีอะไรและไม่เคยเสียอะไรไปจริงแต่สิ่งที่จะอยู่กับเรา และให้ความสุขได้คือบุญและความดีเท่านั้นครับอย่าพยายามคิดแก้ปัญหาขณะที่กําลังเครียดหนักให้ออกไปเดินเล่นไกลๆจะสวนสาธารณะหรือในห้างก็ยังได้นั่งรถไปไกลๆปล่อยใจสบายๆให้คลื่อนสมองสงบก่อนแล้วค่อยกลับมาคิดว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเปิดเพลงบรรเล ง, เล ง, เลงฟังออกกําลังกายเปิดธรรมะแบบง่ายๆฟังอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่ในที่แคบ เชื่อมัน่นเถอะครับว่ามีตัวอย่างทั่วโลกให้เห็นตลอดมาว่าคนที่ประสบความสำเร็จล้วนเคยล้มเหลวเจ็บหนักมาแทบทั้งนั้นส่วนใหญ่มักต้องล้มครั้งใหญ่ก่อนเสมอนะครับที่จะพลิกฟื้นตัวมาประสบความสำเร็จได้ความเจ็บหนักของเราในวันนี้บางทีมันอาจจะเหมือนการใช้นี่กรรมครั้งสุดท้ายคือเหมือนปลดหนี้ครั้งสุดท้ายจะได้จบจบกันไปก่อนจะเปลี่ยนชีวิตไปอีกทางเขามาทวงหนี้ ก็ยอมชำระนี่เขาไปด้วยใจสำนึกผิดแล้วไม่นานทุกอย่างจะดีขึ้นเองครับขอเพียงอดทนทำใจให้ผ่องใสยอยู่เสมอจิต ท, ที่ผ่องใสจะดึงคนดีและสิ่งดีๆเข้าหาถ้าอย่างอมทุกข์ให้สังเกตว่ามันจะซวยหนักขึ้นเรื่อยๆและถ้าตายขณะเป็นทุกข์ก็ตกนรกอย่างเดียวนะครับลองโหลดเสียงจูงสมาธิดอกไม้ my, จากเว็บไซต์โจโจดอนแล้วทาตามจะช่วยได้มากในช่วงแรก พยายามลืมเรื่องผิดหวังและปัญหาไปก่อนชั่วคราวปล่อยสบายๆหยุดทุกอย่างเพื่อให้เวลาตัวเองออกไปทําอะไรที่ไม่เคยทำบ้างให้อาหารปลาหรือเอาเศษข้าวให้หมาจรจัดบ้างและถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆนะครับก็ไปหาจิตแพทย์ขอยาที่ทําให้ใคลายเครียดทําให้นอนหลับสบายมาใช้ไปก่อนชั่วคราว อีกสิ่งที่เป็นบุญใหญ่แต่ทำง่ายสุดคือการใช้ชีวิตอยู่กับพ่อแม่หรือครอบครัวกอดหอมบอกรักแสดงความห่วงใยกับพ่อแม่และคนในครอบครัวร่วมกันทำกับข้าวทำความสะอาดทำดีกับพ่อแม่และคนในครอบครัวเนี่ยก็เป็นบุญใหญ่ไม่ต้องใช้เงินแต่หลายคนกลับมองข้ามนะครับมีปัญหาก็คิดจะตายอย่างเดียวไม่เคยคิดถึงพ่อแม่คุณลองกลับไปกอดท่านสักครั้งหนึ่งไหนจะคิดจะตายแล้วก็ กอดกราบเท้าท่านสักครั้งหนึ่งก็ยังดีบางทีสิ่งเหล่านี้แหละจะทำให้คุณคิดได้นะครับถ้าไม่มีพ่อแม่ให้กอดก็กอดแฟนกอดเพื่อนหรือไปเที่ยวให้สบายเจ็ดวันเนี่ยคุณไปทำบุญไปเที่ยวให้สบายรับรองได้หลายคนเลิกค่าตัวตายแน่นอนครับขอให้ทุกท่านผ่านปัญหาชีวิตไปได้ด้วยใจที่มุ่งมั่นลองฟังเพลงกรรมหรือเพลงแรงใจที่ผมแต่งไว้นะครับหรือโหลดเสียงอ่านหนังสือแววเสียงสวรรค์ ฟังทุกอย่างเนี่ยลหลายๆรอบจะช่วยเสืิมไม่ปล่อยวางและมีแรงฮึดกลับมาสู้กับสิ่งที่ปรชิญได้ทุกหนักแค่ไหนค่าตัวตายไปก็เท่านั้นนะครับคุณค่าตัวตายไปคุณก็เหมือนกับกลายเป็นผีที่ฝันร้ายตลอดเวลาแล้วตื่นไม่ได้มันทรมานกว่าการมีชีวิตอยู่อีกนะครับมีชีวิตอยู่ยังไปเที่ยวยังไปเล่นยังกินของอร่อยได้แต่เป็นผีที่ค่าตัวตายนี่หมดสิทธิ์เลยนะฮะและเป็นบาปที่สุด อย่าคิดว่าโลกหน้าไม่มีจริงนะครับผมเจอมาเยอะแล้วการรักษาศสี่ยนห้าการทำความดีในทุกด้านอย่างสม่าเสมอให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ปัญหาทุกอย่างจะแก้ไขได้ง่ายขึ้นทุกหนักในชาตินี้แค่ไหนขอให้คิดเผื่อถึงชาติหน้าว่าถ้าไม่อยากเจอแบบนี้หรือหนักกว่านี้อีกก็รีบเร่งทำบุญสวดมนต์ฟังธรรมทาความดีซะตั้งแต่วันนี้ตราบได้ยังมีลมหายใจยังไม่มีคาว่าสายไป และเราทุกคนสามารถเลือกเกิดในชาติหน้าได้เสมอว่าอยากเกิดมาสุขสบายหรือเป็นอย่างไรก็อยู่ที่เราทำวันนี้ไว้อย่างไรสะสมบุญกุศลไว้มากแค่ไหนเศรษฐีและคนที่มีความสุขหาได้ไม่ง่ายก็เพราะการอดทนทำความดีให้ต่อเนื่องมันทำได้ไม่ง่ายเช่นกันนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านปัญหาและรรเทากรรมของตนได้โดยไวนะครับทิ้งท้ายอีกนิดนึงนะครับ ชาติหน้ามีจริงนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์เ e. อียนสเีเวนสันพิสูจน์แล้วด้วยหลักวิทยาศาสตร์และยอมรับแล้วฝรั่งเขายัางยอมรับกันแล้วนะครับว่าชาติหน้ามีจริงทั้งการสกวดจิตระลึกชาติทั้งการเดินทางทั่วโลกเพื่อพบคนหลายพันคนจนแน่ใจว่าการกลับชาติมาเกิดมีจริงดังนั้นชาติหน้ามีจริงเราอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดี ปัจจุบันเราก็มีความสุขชาติหน้าเราก็มีความสุขหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนให้คนคิดถึงแต่เรื่องชาติหน้าแต่สอนให้คนมีความสุขตั้งแต่ชาตินี้และส่งต่อไปถึงชาติหน้าขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงรุง่งเรืองในทางที่เป็นกุศลจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมแก้ปัญหาทุกอย่างได้โดยง่ายด้วยใจที่เป็นสุขนะครับจากคนที่ผ่านทุกมาเยอะมาก โชคดีทุกท่านนะครับด้วยความปรารถนาดีโจโฉชมรมผลดี